เทหแห่งการคว่ําบาศสงพึงควาบาศอุบาศผู้ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ขวนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ขวนขวาย เพื่อความอยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 4. ีด่าบริาพาสภิกษุทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกันหกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าเจ็ดกล่าวติเตียนพระธรรมแปดกล่าวติเตียนพระสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คว่มบาทอุบาศผู้ประกอบด้วยองค์8ปประการนี้